ตอนที่ส4มสิสี่ตาอาวีเช่นนี้สามเรื่อที่เฉินเจียนกลับทูล น, นั้นท่านทราบหรือไม่สุนหลีเอ่ยถามด้วยท่าทีสงบนิ่งน้ำเสียงราบเรียบทว่าอำนาจที่แฝงเร้นอยู่ในถ้อยคำนั้นกลับแผ่ซ่านออกมาอย่างชัดเจนกระหม่อม เซี่ยจางรู้สึกมือเท้าเย็นเฉียบแม้หิมะจะกำลังตกแต่เขากลับมีเหงื่อการไหลซึมเดิมทีเขาก็มีความคิดบางอย่างเกี่ยวกับการเปิดประชุมเช้าก่อนกำหนดในครั้งนี้อยู่แล้วแต่สิ่งที่เขาคาดไม่ถึงเลยก็คือคนข้างล่างกลับกล้าลงมือครั้งใหญ่ในการประชุมเช้าโดยที่เขาไม่รู้เรื่องรู้ ร, ราวเลยแม้แต่น้อยมานดามันเถอะแค่ถือว่าเป็นสิทธิ์รักของชิ่งกัวกงสวิชูก็กล้ากับเริ่อเสิร์ฟสารถึงเพียงนี้เชียวหรือสำหรับสิ่งที่เฉินเจียนคิดนั้นเซี่ยจางที่ผ่านร้อนผ่านหนาวในราชสำนักมานานย่ อ, ออออมงงกทะลุปุปปรโ แต่พวกท่านจะสู้กันก็สู้ไปเถอดแต่อย่าได้ดึงข้าเข้าไปพัวพันจนเดือดร้อนไปด้วยสิคนซื่อยังมีวันโกรธณนะ้ำประสาอะไรกับเขาทําไมสุลีจ้องมองเสี้ยจางที่กำลังลังเลก่อนจะเอ่ยด้วยน้าเสียงเย็นชาท่านดํารงตําแหน่งจัวผู้เย่แห่งสํานักสร้างซูทั้งยังควบตําแหน่งเสนา บ, บดีกรมหูปู้แต่เมื่อเกิดเรื่องใหญ่ระดับชาติเช่นนี้กลับไม่รู้เรื่องล่วงหน้าเลยแม้แต่น้อยท่านทํางานในตําแหน่งนี้ได้อย่างไรกัน น้ำเสียงของสุลีพันหนักแน่นขึ้นทำให้บรรยากาศในที่แห่งนั้นเย็นเยียบลงในทันทีกระหม่อมมีความผิดเสียจางรีดคุกเข่าลงกับพื้นทันทีหมอบกราบลงเบื้องหน้าพระพักเพื่อขอรับผิดสายไปแล้วสุหลีแค่นเสียงเย็นทหารนำตัวเสียจางจวดผูเย่แห่งสำนักสร้างซูและเสนาบดีกรมหูปู้ไปคุมตัวไว้เจ้าดำรงตำแหน่งสำคัญแต่กลับไม่คิดก้าวหน้ามัวแต่ทำงานผักชีโรยหน้าเช่นนี้ให้ปลดจากตำแหน่งและตรวจสอบอย่างเข้มงวดพยาค่ะ เสียงขานรับดังกล้องไปทั่วประตูที่จีเมื่อเทียบกับการกระทำของสวีเจินที่ดูเหมือนจะรุนแรงแต่กลับเบาวิวการลงมือของซุนหลีนั้นเด็กขาดกว่ามากเฉินเจียนและพวกตั้งใจจะก่อเรื่องแต่คนแรกที่ซวยกลับเป็นเสี้ยจางเสียอย่างนั้นิดกั น, นง่ายๆแบบนี้เลยหรือชูหลิงมองดูเหตุการณ์ตรงหน้าแล้วแอบประหลาดใจในใจเดิมที่เขาคิดว่าไทฮวงไทยเขาจะเหมือนกับผงไทยเฮาที่จะตําหนิเพียงไม่กี่คาแล้วปล่อยไปแต่ท่าทีของสองไทยเฮานั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง รองเสนาบดีกรมหูปู้ฝ่ายขวาอยู่ที่ใดกระหม่อมอยู่นี่พะยะค่ะภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ในขณะที่เหล่าขุนนางกำลังเริ่มโกลาหลชัยคนหนึ่งก็รีบก้าวออกมาจากแถวเขาไม่ได้มีท่าทีสงบนิ่งเหมือนเสียจางในตอนแรกแต่รีบเดินมาเบื้องหน้าพระพักแล้วประสานมือคำนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้ท่านเลื่อนตาแหน่งขึ้นเป็นจัวผูเย่แห่งสานักสร้างซูควบตาแหน่งเสนาบดีกรมหูปู้สุลีกล่าวด้วยสายตายเย็นชา หลังจากรับตำแหน่งแล้วให้ตรวจสอบเรื่องที่เฉินเจียนกลาบทูนอย่างเข้มงวดค่าต้องการรู้ว่าการบรรเทาทุกในสีเหลียงเต้าอันเปย์เต้าและที่อื่นๆนั้นเป็นเรื่องของการบรรเทาทุกจริงๆหรือเป็นเพราะพวกเปย์ลูกบุกรุกกันแน่สิ้นคำกล่าวเหล่าขุนนางทั้งราชสำนักต่างพากันแตกตื่น ในการประชุมเช้าครั้งแรกของราชศกเจิ้งถงเรื่องแรกที่กลับทูลกลับทำให้เซี่ยจางจวบผู่เย่แห่งสำนักสร้างซูและเสนาบดีกรมหูปู้ถูกปลดส่วนเฉินเจียนและหม่าเย่เว่ที่เป็นคนก่อเรื่องกลับถูกลงโทษเพียงแค่หักเบี้ยววัดสาปีที่สำคัญคือรองสนับดีกรมหูปู้ฝ่ายขวาอ้อคนผู้นี้ชื่อเหอชงกลับกลายเป็นจวบผู่เย่แห่งสำนักสร้างซูและเสนาบดีกรมหูปู้คนใหม่เสียอย่างนั้นการขยับตำแหน่งครั้งนี้ทำให้ตำแหน่งรองเสนาบดีกรมหูปู้ฝ่ายขวาว่างลงซึ่งจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนตำแหน่งอื่นๆตามมาเป็นทดๆ การจัดการที่เด็ดขาดและชั้นเชิงที่เหนือชั้นเช่นนี้ช่างไร้กาดยิ่งนักประเด็นสำคัญคือเหอชงที่เพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งต่อไปย่อมถูกตีตราว่าเป็นคนของฝ่ายที่ฮวงไทเา่าและคนผู้นี้ก่อนหน้านี้ก็มีชื่อเสียงว่าเป็นนักไก่เกลี่ยตัวยงเสียด้วยเหตุดใดที่งไทเ่าถึงเลือกใช้คนเช่นนี้กันนะช่วงขณะหนึ่งเหล่าขุนนางต่างพากันครุ่นคิดไปต่างๆนานา ทว่าซุนหลีที่ประทับอยู่บนบัลลังก์หงกลับไม่ได้สนใจเรื่องเหล่านั้นในตอนนี้นางกำลังว่าราชการในฐานะชื่อเสียงตัวโยกขังโซ่ทห่ฮวงไทเหา่าซึ่งมีความชอบทำตามกฎหมายนางรู้ดีกว่าใครว่าในราชสำนักแห่งนี้และทั่วทุกแห่งในใต้ล่ามีคนจ้องมองและวางแผนเล่นงานานางอยู่มากเพียงใดสิ่งที่ชูหลิงต้องพิจารณาคือจะสลัดหลุดจากข้อจำกัดตรงหน้าได้อย่างไรเพื่อที่จะใช้กลวิธีบางอย่างค่อยๆพลิกฟื้นสถานการณ์ของตนเองแต่ซุนหลีนั้นต่างออกไป ภาระหน้าที่ในการดูแลแผ่นดินต้าอาวีแบบอยู่บนบ่าของนางเช่นเดียวกับที่แบกอยู่บนบ่าของสวีเจินและหวังซิ่วสามไทยหววาวราชการหลังม่านนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดพวกนางต้องปกครองต้าอาวีให้ดีหากต้าอาวีภายใต้การปกครองของพวกนางไม่เจริญรุ่งเรืองแต่กลับเกิดความวุ่นวายมากมายแล้วจะปิดปากผู้คนได้อย่างไรจะใช้การฆ่าฟันอย่างนั้นหรือราชวงศ์ก่อนก็ทาเช่นนั้นแต่ผลลัพธ์ล่ะเป็นอย่างไร ใต้ล้าปั่นปวนเหล่าผู้กล้าลุกขึ้นทุกสารทิศมีเรื่องจะกราบทูลก็จงว่ามาหากไม่มีก็เลิกประชุมเสียงของเลียงหงดังขึ้นในตอนนี้ทำให้หลายคนที่ยังตกอยู่ในความตกตะลึงได้สติกลับมาเหลียงหวงที่อยู่ข้างกายไทยฮวงไทยเฮาได้ทาหน้าที่แทนหลี่จงที่อยู่ข้างกายอรสวรรค์สวีเจนขมวดคิ้วมุ่นหวังซิ่วมีสายตาไหววูบ สำหรับการเปิดประชุมเช้าก่อนกำหนดในครั้งนี้เดิมทีพวกนางก็มีความคิดบางอย่างอยู่แล้วแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้กลับเกินความคาดหมายไปมากซึ่งทำให้ความคิดของแต่ละคนเริ่มพาดเคลื่อนไปการว่าราชการหลังม่านนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆการบริหารบ้านเมืองนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆหลี่จงใต้ช่างเลอที่อยู่ข้างกายเสด็จย่าทั่วชื่อว่าอะไรภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ชูหลิงมองดูเหล่าขุนนางตรงหน้าแล้วถามหลี่จงด้วยน้ำเสียงราบเรียบ เลียงหวงพยคะค่ะหลีจงกระสิบตอบคนผู้นี้เข้าวังมาตั้งแต่เด็กเป็นผู้สืบทอดตาแหน่งต้าช้างเลอ่อต่อจากเลียงเซิงได้รับความไว้วางใจจากไท้ห่วงไทยเห่าอย่างยิ่งกระหม่อมหันชิงแม่ทัพใหญ่จิ้นจวินมีเรื่องจะกลับทุนพยาคะ่ะในขณะที่หลี่จงกําลังรายงานการปรากฏตัวของคนผู้หนึ่งก็ได้ดึงดูดความสนใจของชูหลิงและทําให้ขุนนางจํานวนมากต่างพากันจ้องมองหันชิงที่กล้าออกมาจากแถวทุนฝาบาททุนไทยเห่าทั้งสาพระองค์ ท่ามกลางสายตาของทุกคนหันชิงเดินมาเบื้องหน้าพระพักแล้วประสานมือคำนับกระหม่อมได้ฟังเรื่องที่เฉินเจียนกลับทูลแล้วรู้สึกโกรธแค้นยิ่งนักที่พวกเปยรูบางอาจลุกล้ำชายแดนของพวกเรานึกถึงสมัยที่เทจู่เก่าฮ่องเต้เทจงเหมินฮ่องเต้แล ะ, สะเสวียนจงชุนฮ่องเต้ยังทรงพระชนชีพพวกเปยลูบถูกตีจนไม่กล้าแม้แต่จะรุกล้ำเข้ามาโดยง่ายแต่ยามนี้กลับกล้ากำเริ่เสิร์สารถึงเพียงนี้ กระหม่อมขอลาออกจากตำแหน่งแม่ทัพใหญ่จินจวินและขอรับพระราชโองการไปยังชายแดนเหนือเพื่อช่วยแม่ทัพใหญ่เจิงเปิดจัด ก, การเรื่องนี้หวังว่าฝ่าบาทและไทยเฮาทั้ง3พระองค์จะทรงอนุญาตพยักค่ะสถานการณ์ในตอนนี้ทําให้หานชิงเข้าใจอย่างหนึ่งว่าศูนย์กลางอํานาจของต้าอวี๋ได้กลายเป็นใจกลางของพายุไปเสียแล้วหากเขายังคงอยู่ในอวีตูต่อไปนอกจะจะช่วยอะไรไม่ได้แล้วยังต้องถูกจํากัดในทุกๆด้านแม้ว่าข้อจํากัดเหล่านี้จะเป็นผลมาจากการที่เขาส่งคนไปแจ้งข่าวแก่จงชวนและชางหลีในช่วงที่สเสวียนจงชุนห้องเต้สวรรค์ัดและ สถานการณ์ในวังวี่กำลัง ผ, ลผลันผวนแต่หานชิงก็ไม่เสียใจหากให้หานชิงเลือกอีกครั้งเขาก็ยังจะทำเช่นเดิมไทจงเหมือนฮ่องเต้ส่งให้ความสำคัญเชื่อใจและเลื่อนตำแหน่งให้เขาถึงเทียงนี้พระมหากรุณาธิคุณอัลล้นลพ้นนี้หานชิงจำต้องตอบแทนด้วยการทำหน้าที่ให้ดีที่สุดยิ่งไปกว่านั้นตั้งแต่สเสวียนจงชุนฮ่องเต้ขึ้นครองราชมาก็ทรงปฏิบัติต่อเขาอย่างดีไม่แพ้กัน หากแผ่นดินต้าอวีเกิดความสั่นคลอนแต่เขากลับนิ่งดูไดยเขาคงไม่อาจก้าวข้ามความรู้สึกผิดนี้ไปได้และในภายหน้าย่อมไม่มีหน้าไปพบให้จงเหมือนฮ่องเต้ดูเหมือนจะมีบางอย่างไม่ถูกต้องนะเมื่อชูหลิงได้ยินเช่นนั้นเขาก็ขมวดคิ้วทันทีหานชิงที่เขาให้ความสนใจกลับต้องการจะไปจากอวีตูนี่เป็นสิ่งที่เขาคาดไม่ถึงก่อนหน้านี้เขายังคิดอยู่เลยว่าจะหาทางติดต่อกับคนผู้นี้ได้อย่างไรเพื่อดูว่าคนผู้นี้จงรักพักดี ต, ต่อต้าอวีจริงหรือไม่ ชูหลิงในตอนนี้รู้ซึ้งถึงสถานการณ์ของตนเองดีดังนั้นคนที่จงรักภักดีต่อเขาโดยตรงนั้นเกรงว่าคงจะไม่มีเขาจึงต้องมองหาคนที่จงรักภักดีต่อต้าอวี่แทนการจงรักภักดีต่อต้าอวี่หมายความว่าพวกเขามีค่าพอที่จะดึงมาเป็นพวกและหลังจากนั้นค่อยๆหาทางทาให้พวกเขาจงรักภักดีต่อตัวเขาเองเช่นนี้เรื่องบางอย่างก็จะจัดการได้ง่ายขึ้น แต่ตอนนี้หารชิงกลับจะไปเสียแล้วชูหลิงมองเห็นความผิดปกติบางอย่างความจงรักภักดีต่อต้าอาวีของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันการจะตัดสินใจนั้นช่างยากเย็นยิ่งนัก